การอยู่ปริวาทคือการลงโทษให้ต้องอบรมตัวเองเท่ากำหนดเวลาที่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วปิดไว้ถ้าปิดไว้กี่วันกี่เดือนก็จะต้องอยู่ปริวาทเท่านั้นวันเท่านั้นเดือนสองการชักเข้าหาอาบัตเดิมหรือมูลายปฏิกัสนาคือในขณะที่อยู่ปริวาทก็ตามประพฤติมานัดก็ตาม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 การประพฤติตัวของเธอเพื่อออกจากอาบัตย่อมเป็นโมคะมีศัพท์เรียกว่าวัตเพศคือเสียวัดและรัติเฉดคือเสียราตรีวันที่ล่วงละเมิดนั้นมีให้นับเป็นวันสมบูรณ์ในการเปลื้องโทษจะต้องทำใหม่และนับวันใหม่ในการรับโทษแก้ไขตัวเองส1อ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 หรือแก่สงแล้วแต่กรณีส่วนการเสียราตรีของภิกษุผู้ประพฤติมานัทมีสี่อย่างคือสามข้อแรกเหมือนกับของภิกษุผู้อยู่ปริวาสเฉพาะในข้อสี่คือประพฤติมานัทในสงที่ไม่เต็มคณะคือระหว่างประพฤติมานัทสงในวัดนั้นลดจํานวนลงน้อยกว่าสี่ไม่ได้